อยากจะอยากจะมาทำอะไรอยากมาทำอะไรอยากประกาศอาจารย์ครับกล่าวก็ได้อะไรได้ความสุขครับผมแมื่เช้ามีแม่คนหนึ่งเอาลูกชายมาจะให้ลูกไปเรียนเงนอกอายุคงไม่ประมาณสักสิสองสิบสองขวบ บอกให้อย่าให้ลูกมาล้างเท้าให้ะ้าจานเพื่อเป็นมงคลนะลเราบอก่าอย่าไปล้างเลยเราล้างคนเราทุกวันไม่เห็น่เป็นมงคลนะถ้าอยากจะเป็นมงคลก็รักษาศีลดีกว่านะอย่าไปฆ่าอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดตัวเวนีอย่าไปพูดปดนะอย่าไปดื่มสซดาอย่าเมาอันนี้แหละเป็นมงคล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 ท่านไปลังเท้าให้กับพวกคนที่ติดคุกนะล้างเท้าให้กับคนที่ยากจนอันนั้นแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเพการถือเนื้อถือตัวนี้เป็นความหลงเป็นกิเลสทำให้เป็นความทุกข์ได้พอเราถือว่าเราสูงพอเราใครก็มาทำอะไรนิดอะไรหน่อยไม่เหมาะกับความเป็นสูงของเราเราก็จะโกรธเราก็จะเดือดร้อน แต่ถ้าเราทำว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้คนล้างเท้าล้างเท้าของคนอื่นได้เราจะไม่ถือเนื้อถือตัวใครจะดูดูถูกดูแคลนเหยียดยามเราเราก็เฉยเฉยเพราะเราก็เหมือนกับเป็นคนคนต่ำต้อยคนที่ล้างเท้าของให้กับคนอื่นเป็นคนรับใช้นี่คือความหมายให้ให้ลดละอัตราตัวตน สำหรับเด็กนี้ให้เขามาทำเขาก็ไม่เข้าใจมันก็ทำแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้เขาหลงได้ก็เลยต้องสอนเขาบอกว่าไปรักษาศีลดีกว่านะอย่ากโกหกอย่าลักทรัพย์อยา่าฆ่ามดแมลงยุงอะไรต่างๆแล้วนี่แหละเป็นมงคลจะทำให้ชีวิตเราสุขให้เราเจริญ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 มันต้องทําบ่อยๆทําเยอะๆเหมือนหาเงินเราหาห้นเดียวกับเวลาหาเงินนี่เราหาไม่หยุดไม่หย่อนเลยในชะ่ไหมอ่ายิ่งหาได้มากเท่าไหร่ยิ่งบ่อยยิ่งดีในชะ่ไหมอ่ามงคลก็เหมือนกันเหมือนเงินทองถ้าอยากจะได้มงคลเยอะๆต้องกราบพระต้องกราบคนนั้นกราบคนนี้คือยอมเขาอ่ะอย่าไปถือว่าเราใหญ่กัาเขาเก่งกับเขาดีกับเขาอ่ให้รู้จักคําว่าแพ้ แพ้เป็นพระชนะเป็นมารไแนแพ้เร้ไม่มีศัตรูชนะเรามีศัตรูเ่าเราไปทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเวลาเราชนะเขาแต่ถ้าเวลาเราแพ้เราทาให้เขาดีใจเขามีความสุขใจเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราถ้าเราชนะเขาเราทำให้เขาเสียหน้าเสียตาทำให้เขาเสียประโยชน์เนี่ย เขาก็จะไม่ชอบเราเกลียนเราเป็นศัตรูกับเราเป็นคู่ต่อสู้กับเราดนั้นให้เรารู้จักคำว่าแพ้รู้จักคำว่าเป็นผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปถือเนื้อถือตัวตาแหน่งต่างๆฐานะต่างๆนี่มันเป็นสมมติเป็นเหมือนบทละครที่เราเล่นกัน คนที่เล่นละครนี้เขารู้ว่ามันเป็นเพลงบทเท่านั้นเองบทบาทให้เขาไปเป็นนายอำเภอให้เขาไปเป็นเจ้าของบาร์ให้เขาไปเป็ น, Emperor, ปป น, ปปนลูกจ้างอะไรพวกนี้ตัวแสดงเขารู้ว่าเป็นเพลงบทบาทเท่นั้นเองเป็นตัวจริงๆก็เป็นตัวแสดงเหมือนกันพวกเราทุกคนนี้ก็เหมือนกันคือตัว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 เรื่องนี้แล้วพอเราไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเกิดในโรงลครนวนใหม่มีบทบาทใหม่ให้เล่นอีกชาติชานี้อาจจะมาเกิดเป็นขอทานชาติหน้าอาจจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมันมันไม่แน่นอนการมาเกิดของเราหนี้มันมีเหตุหลายอย่างเหตุที่สําคัญก็คือบุญกับบาปที่เราได้ทําไว้ในอดีต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 นั่เป็นผู้กำกับผู้เขียนบทบาทภาพยนตร์นี่นองละครนี้ก่อนที่เขาจะเล่นได้ก็ต้องมีคนเขียนเรื่องก่อนเขียนละครเรื่องนี้มีละมีคนเล่นกี่คนคนเล่นแต่ละคนต้องเล่นบทไหนาบาทอะไรกันนีผู้ที่เขียนบทบาทของเราให้เรามาเล่นเป็นคนดีคนชั่วคนสูงคนตน่ำนี้ก็อยู่ที่บุญที่บาปเรา ได้ทาไว้ในอดีตตอนนี้จะเป็นผู้ที่กําหนดเขาเรียกว่ากรรมวิคต์กรรมคือการกระทําของเราทําดีก็เรียกว่าบุญทําไม่ดีก็เรียกว่าบาปแะ้วบุญกับบาปหรือ ก, กรรมนี้ก็จะเป็นผู้ลิิตอนาคตของเราว่าเราจะไปเล่นบทไหนอย่างชาตินี้เราก็ถูกกรรมวิคตให้มาเล่นเป็นพระ ท, ทั้งที่ไม่เกิดมาไม่เคยคิดอยากจะเป็นพระเลยแต่มันก็มีเหตุัลให้มมาทางนี้นั้นต่ก็เดี๋ยวตายไปก็จบถ้ากลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นอะไรอาจจะมาเป็นลิงก็ได้เป็นสุนัข ก, ก็ได้ถ้าไปทําบาปไว้เพราะฉะนั้น เราอย่าถือตัวกันญาหลงให้มองสถานภาพของเราว่าเป็นเหมือนบทละครเป็นตัวละครเหมือนหัวโขนที่เขาสวมให้ให้พวกโขนเขาเล่นเขาใส่กันคนนี้เป็นทศกัณ น, นะคนนี้เป็นหันุมานนะเขาก็มีหัวโขนใส่ให้เป็นบทบาททนะี่เราก็มาเกิดให้มาเล่นเป็นอย่างนี้ก็ ตาำบ้างสูงบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็ให้รู้ว่าเป็นบทบางถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นให้เล่นแบบอย่าไปหลงกับมันพยายามปรับบทของเราได้ถ้าเขาให้ลิกิตให้เรามาเล่นบทไม่ดีให้เรามาเป็นโจรเราก็เปลี่ยนได้เราก็พยายามอย่าไปป้นอย่าไปรักสมรรักขโมย เปลี่ยนอาชีพไปหาไปเรียนหนังสือไปหาความรู้เราจะได้มีงานทำที่เปีอาชีพสุจริตไม่ต้องไปป้นไม่ต้องไปเป็นโจรถึงแม้ว่าเราจะถูกวิกิตมาให้เกิดในครอบครัวที่ยากจนเราก็ยังสามารถที่จะทำให้เรารวยได้ความรวยมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกัน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 มีความทุกข์ยากลาบากพอมาอยู่เมงไทยก็ด้านขายของทํา ง, งานทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันเที่ยวมีแต่หาเงินมีแต่วันหาเงินอย่างเดียววันใช้เงินไม่มีปีหนึ่งก็มีให้สองวันวันจุดจีนหยุดสักสองสามวันไปใช้เงินน้องนั้นก็หาเงินอย่างเดียวอย่างนี้มันจะไม่รวยได้ยังไงใช่ไหม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 พอไม่มีเงินเราก็หงวดหงิ ด, ดําคางใจก็ต้องไปหาเงินเราถ้าหาโดยวิธีถูกศีลธรรมถูกกฎหมายไม่ได้ก็ไปหาโดยวิธีผิดศีลธรรมผิดกฎหมายไปลักขโมยไปช่อโกงแล้วเดี๋ยวก็ถูกตํารวจจับไปติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปใช้กรรมต่ออีก อันนี้เป็นเพราะเราไม่รู้จักปรับบทบาทถ้าเราเป็นคนชอบใช้เงินทองแบบไม่มีเหตุมีผลใช้แบบมีเหตุมีผลเป็นยังไงก็ใช้ไว้สาหรับซื้อของจำเป็นเช่นซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าถ้าไม่พอใส่ซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยของพวกนี้จำเป็นต้องมีเพื่อรักษาร่างกายแต่เอาซื้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย ต่างๆนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อไม่ต้องไปเอาเงินนี้ไปเที่ยวตามสนานบันเทิงต่างๆซื้อเบียร์ซื้อเหล้าซื้ออะไรต่างๆซื้อของแบบนี้มันจะทำให้เราติดนิสัยไม่ดีแล้วจะทำให้เราต้องดิ้นหาเงินอยู่เรื่อยๆพอเงินไม่พอใช้ก็จะต้องหาวิธีไม่ถูกกฎหมายวิธีผิดศีลผิดธรรม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 ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมากับทาให้อยากเที่ยวมากขึ้นไปอีกยิ่งไม่สบายใจนี่คือพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาปรับวิธีใช้เงนินกันอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาไป ซ, ซื้อตามความอยากต่างๆอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอามาทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วเราจะมีความสุข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 อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่าการที่เราจะมีความสุขนี้เราต้องมีเงินเยอะๆมีตำแหน่งสูงๆเป็นใหญ่เป็นโตอ่าความจริงมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะเงินก่อจะได้มามันก็ไม่ใช่ง่ายต้องหาด้วยวิธีต่างๆ ถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เราแทนที่จะมีความสุขกับมีความไม่สบายใจแล้วเงินที่ได้มาถ้ามันหมดไปก็ทำให้เราทุกข์อีกน mm hmm. ั้นการจะหาความสุขให้กับเราที่แท้จริงพระพุทธเจ้ า, าไม่ใช่หาลาภยศสรรเสริญไม่ได้หาที่รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย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 เวลาหมดไปมันก็ทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมามันเหมือนยาเสพติดต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพแล้วไม่สบายใจจึงเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขใหมาหาความสุขจากการทําบุญดีกวาหาความสุขจากการไม่ทําบาปหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ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 ไม่ต้องมีคนยกย่องสรรเสริญเยือนยอไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสดเพาเราได้ความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการทําบุญให้ทานนี่คือการมาปรับบทบาทต่อไปเราก็จะปรับ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 จะไม่ต้องมาเล่นบทบาทอย่างอื่นนะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระราหานี้ก็ลาออกจากโรงละครได้ไม่ต้องเป็นตัวละครเป็นเหมือนจ เ, นเอนจ้าของโรงละครดีกว่าไม่ต้องเล่นนะเก็บเงินอย่างเดียวเก็บเงินจากคนดูละคร <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าพรนะราหานี้ท่านไม่ต้องมาเล่นบทบาทอย่างพวกเราเล่นกัน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 าคนจนนี่ไม่ทุกคนรวยนี่ทุกต้องต้องจนแบบพระพุทธเจานะ้าคือคือไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติมากเกินไปมีพออยู่ได้ก็พออย่างพระพุทธเจ้านี่มีสมบัติอยู่8ชิ้นเท่านั้นเองรู้ั้ยสมบัติของพระพุทธเจ้ามีอยู่8ชิ้นคืออะไรบาตรหนึ่งใบผ้าสามผืนเข็มขัดรัดเอวหนึ่งชิ้น เป็นห้าชิ้นแล้วใบมิดโกนหชิ้นเข็มกับได้เจชิ้นแล้วก็ที่กล่องน้ำนี่คือสมบัติของของพระพุทธเจ้าของพระที่มาบวชท่านสอนให้เราอยู่แบบคนจนเพราะมันสบายไม่ต้องดิ้นโนหาเงินกันรวยขนาดไหนก็อยู่หางเงินไม่ได้เชื่อไหมรวยแล้วก็กลัวจะจนกลัวจะน้อยลงไป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 ความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุขที่ทำให้เราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละคือความสุขแท้จริงเราอยู่เฉยๆได้ไมไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบขอทานได้ไอยู่แบบคนจนได้ไอยู่แบบพระพุทธเจ้าไดไ้อยู่แบบมีสมบัติแค่แปดชิ้นได้เปล่านั่นแหละใครใครอยู่แบบนั้นได้แสดงคนนั้นหละมีความสุขถ้าอยู่แบบมีต้องมีปราสาท สามฤดูเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอย่างนั้นอยู่แบบนั้นอยู่แบบเหนื่อยเพราะต้องคอยหาเหงินมาดูแลรักษาเหมนความสุขทแท้จริงไม่ต้องทำอะไรต้องอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา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 นี่คือการมาปรับบทบาปชีวิตของเราเพื่อให้เราพ้นบาปพรุทธเจ้าได้นี้บุญกับบาปนี้จะไม่สามารถม า, มาทำให้เราเล่นบทนั่นบทนี้ได้เพราะเราจะไม่เล่นละพระพุทธเจ้าไม่มาเล่นละไม่มาเกิดลวไม่มาเกิดเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยคนจนคนใหญ่และคนเล็กละเพราะท่านปรับบทบาทของท่านได้ ไม่เล่นตามบทที่บุญบาป เ, าเขียนมาให้เล่นเพราะท่านเลิกทำบุญเลิกทำบาปท่านเลิกมาเกิดนะตอนไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทาบุญไม่ต้องมาทาบาปาแล้วก็สบายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยูย่ของต่างๆที่เรามีอยู่ น, น, น, นี่สักวันนี่ต้องเสียหมดเลยรู้ป่ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆตําแหน่งต่างๆใบประกาศสนีบัดยกย่องสรรเสริญเยนยอต่างๆคนต่างๆสามีภรรยาบุตรธิดาร่างกายของเราเองไปหมดเสียหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยตะคอนบทของเราจบเลยเราก็ต้อง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 ให้เป็นไปแบบให้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านไม่สมวนด้วยกสิทธิ์การเป็นพระพุทธเจ้านะีไม่ได้สมหวนด้วยกสิทธิ์กา ร, รเป็นพระอรหันต์ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ท่านบอกสูตรบอกวิธีแล้วว่าทําอย่างนี้ถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์ให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่สมวนด้วยกระสิทธิ์ไม่มีค่าด้วยกระสิทธิ์ด้วยใครจะเอาไปใช้ก็ไม่เก็บเงินเก็บทอง ในเหมือนอย่างอื่นใช่ไหมอยากจะไปเปิดร้านเซเว่นก็ต้องเสียเงินใช่ไหมเสียลิขสิทธิ์เสียค่าลิขสิทธิ์อยากจะไปผลิตโค้กนี่ก็ต้องไปขออนุญาตของเสียค่าลิขสิทธิ์แต่พราะเจ้าไม่ไม่สมวนงลิขสทธิ์ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ใคอยากจะเป็นผ้าอาหารเอาไปเลยเป็นได้ใคอยากจะหลุดพ้นจากการเยนืนไหวตายเกิดเอาไปเลยใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเอาไปเลย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 เวลามีก็ไม่ร้อนหัวร้อได้แต่เวลามันหมดเนี่ยหัวร้อนไม่ออกนะเน้นสู้อยากมีดีกว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนเวลามันมีแล้วไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีรากยศสารเสญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรส ถ, ถ้าเราทำบุญได้เรารักษาศีลได้ เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เรามีปัญญารักษาความสงบได้เราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมีเพียงสมบัติแดชิ้นก็พอมีบาดหนึ่งใบมีผ้าสามผืนมีเข็มขาดลัดเอวหนึ่งเส้นมีใบมีกรนไม่กรอนผมกรอนหนวดมีเข็มกระได้ไว้ซ่อมจีวร เวลามันขาดแล้วก็มีที่กองน้ําสมัยก่อนจะต้องตักน้ําจากลาําธารลําห้วยบางทีมันก็มีตัวสัตว์อยู่ในน้ําถ้าใช้ขันตักมันก็มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาเขาก็เลยทําที่กองกดเข้าไปในน้ําแล้วน้ํามันจะเข้าไปผ่านผ้ากองแต่ตัวสัตว์เข้าไปไม่ได้แล้วก็มีรูปิดทําให้น้ําไม่ไหลออกมามันเป็นเกลียวมันเป็นมีรู มันเป็นท่กทอกลมๆกระบอกกลมๆมีผ้าอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนจะมีรูไว้สำหรับถ้าเรากดรูไว้น้ำเวลาเข้าไปน้ำมันจะไหลไม่ออกเวลาจะเอาน้ำเข้าล้วก็อย่าไปปิดรูน้ำก็เข้าผ่านผ้าไปตัวสัตว์ก็ไม่เข้าไปพอน้ำเต็มเราก็ปิดรูยกนะยกกระบอกขึ้นมาจากน้ำน้ามันก็ยังอยู่ในกระบอกเยู่พอเราจะาไปใส่กระติกใส่ ใส่ตุ่มหรือใส่ขันแล้วก็เปิดดูมันก็ไหลออกน้ำก็จะเป็นน้ำไม่มีตัวสัตว์เรียที่กรองน้ำมีแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วขอให้มีความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วจะอยู่แบบเรียบง่ายได้ถ้าไม่มีความสงบแล้วต้องอยู่แบบวุ่นวายต้องมีนู่นมี น, นี่เต็มไม่หมดแล้วเป็นยังไง พอมีก็ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งที่เรามีเดี๋ยวไอ้นั่นเกษียเดี๋ยวไอ้นี่เสียดเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวน้าำไม่ไหลมีเรื่องให้วุ่นวายตลอดเวลานี่คือความสุขที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ต่างตามมาอยู่ตลอดเวลา<ม>เดี๋ยวไอ้นั่นเกษียเดี๋ยวไอ้นี่เสียด เดี๋ยวทีวีเสียเดี๋ยวความเสียเดี๋ยวโทรศัพท์เสียเดี๋ยวรถเสียเสียก็ต้องซ่อมกันต้องรอให้มันซ่อมเสร็จก่อนถึงจะใช้ได้เวลาไม่มีใช้ก็หงุดหยิดลาคาญใจถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอรหันตสาวกเป็นตัวอย่าง ปานันตสาวก็เป็นพวกเหมือนพวกเรานี่แหละพอเห็นพระพุทธเจ้าได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติใครมีลูกมีภรรยามีสามีมีสมบัติก็ยกให้คนอื่นไปขอไปมีแค่สมบัติแดชิ้นก็พอจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบได้ถ้าต้องอยู่กับงานการมันทำใจให้สงบไม่ได้ ถ้าต้องอยู่กับครอบครัวเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องมาให้เราทํานู่นคนนี้ก็ต้องให้เราทํานี่เดี๋ยวลูกไม่สบายเดี๋ยวลูกต้องไปตรงเรียนเดี๋ยวต้องไปงานงา น, นั้นงานนี้ไปหาคนนั้นหาคนนี้จะ เ, เวลามานั่งสมาธิกันที่ไห น, น mm hmm. จะเอาเวลามาหาความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร mm hmm. คนที่ต้องการหาความสุขที่แท้จริงอะไรต้องทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่แล้วเอาแค่สมบัติ8ดชิ้น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 เดี๋ยวก็อยากจะกลับไปหาราบยศสรรเสริญกลับไปหาแฟนครับกลับไปหาสามีกลับไปหาภรรยากันึงต้องไปอยู่กับคูบาอาจารย์ท่านจะได้ช่วยดึ่มไว้ถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับสู้กิเลสไม่ได้สู้ความอยากต่างๆไม่ได้ น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา ซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งศาสนาพุทธนี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสลุสักครั้งหนึ่งพอตรัสรุแล้วก็จะได้สอนพวกเราได้ถ้าไม่มีคนสอนพวกเราก็ยังไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้กันก็จะหาความสุขแบบที่เรากำลังหากันอยู่แล้วก็มาทุกข์กันมาเดือดร้อนวุ่นวายกันมาวิตกมากังวลกัน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 พอมันเสียเราก็ไม่สบายใจพอมันจากเราไปเราก็ไม่สบายใจเวลามันอยู่เราก็ไม่สบายใจกลัวมันจะหายงั้นอย่าไปมีมันดีกว่าพอไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะต้องมากังวลน้ำมีความสงบเพียงอย่างเดียวพอนะมาลองทําตามที่พระเจ้าสอนดูตอนนี้ก็เริ่มต้นที่ชั้นชั้นปหนึ่งก่อนชั้นอนุบาลก่อนมาทาบุญกันก่อน ทุกครั้งยำเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาไปทาบุญดูซิว่าทำได้นะพอทาได้แล้วต่อไปจะรักษาศีลได้เพราะเราจะไม่ต้องเดือดร้อนหาเงินมากนั้นเองคนที่รักษาศีลไม่ได้เพราะอยากจะหาเงินมากๆเร็วๆง่ายๆเลยต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างถึงจะได้แต่ถ้าเราไม่ต้องหาเงินแบบนั้น เพราะเราไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้เงินแบบนั้นเราก็หาแบบสบายๆหาแบบไม่โกหกหาแบบไม่โกงขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ร้อนเงินถึงขนาดที่ต้องขายทุกวันเราก็จะรักษาสีมได้รักษาสีมได้เราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิกันได้เพราะเราจะไม่มีเอาเงินไปเที่ยวไม่เอาเวลาไปเที่ยววเอาเวลาไปวัดดีกว่า เอาเวลาไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมทำนี้เดี๋ยวก็ได้ไม่ยากหรอกค่อยทําตามขั้นตอนนั้นะกายแรกเริ่ใช้เงินไปในทางที่ผิดอย่าไปใช้เงินตามความอยากต่างๆอย่าเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจะบูกลิ้นกายเอาเงินมาทําบุญดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงิน เอาเงินที่ทำบุญจะมีความสุขมากกว่าเอาเงินไปเที่ยวนะก็รักษาศีลกันอย่าทาบาปกันรักษาศีลห้าได้ก็ลองรักษาศีลแปดดรักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้เพราะเราจะไม่ไปทำอะไรตา่างๆนั่งสมาธิได้ก็จะได้ความสุขได้ความสงบ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 ไม่กลับไปหาอะไรไม่ไปไม่อยากได้อะไรอยากได้อย่างเดียวคือความสงบนะลองไปปฏิบัติดูนะแล้วจะมีความสุขมีความสบายจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจ้องจะให้พรนะนะมนีอะไีอยากจะถามเพิ่มเติมไหม ดูชีวิตแล้ววเป็นเป็นละครนะเดี๋ยวก็จบนะอย่าไปวุ่นวายกับมันมากเล่นไปสบายสบายดีกว่าครับวยแค่ไหนเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องไปดินมากนะดินแบบสบายทําแบบสบายสบายรวยได้ก็ดีไม่รวยก็ไม่เป็นไรถ้าวันนี้หาเงินได้ก็ทําบุญกระทําทางครับเป็นได้ครับเออเด็กต่าง จะได้ได้บทบาทที่ดีในในในในละครเรื่องต่อไปได้แสดงบทที่ดีกว่านี้ได้เป็นเศรษฐีรถกิ่นเสียงนี่มันเป็นนามไม่เป็นรูปครับรถก็เป็นรถแต่รูปก็เป็นรูปมันรูปก็เป็นรูปรถก็เป็นรถมันมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นรถจะไปให้มันเป็นอะไรเสียงก็เป็นเสียง รูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกเล่นกายก็แค่นั้นนะเป็นรูปหรือเปล่าหรือเป็นนามครับก็มันเป็นเสียงจะไปเป็นรูปได้ไงรูปมันก็เป็นรูปเสียงก็เป็นเสียงเกิ่นก็เป็นเกิ่นรสก็เป็นรสก็ได้นไอ้ที่รูปปังนะรูปรูปกับนามนี่หมายถึงร่างกายกับนามขันกับรูปขันเข้าใจร่างกายเนี่ยเป็นรูปขันเรียกูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามนามขัน แต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่ได้เป็นรูปประคันหรื อ, อนำมาคำมันเขาเรียกอายัตตะนะรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะนี่เราเรียกว่าอายตนะภายนอกส่วนตาหูจมูกลิ้นกายนี่เราเรียกว่าอายัตนะภายในที่เวลามามาสัมผัสกันก็แสดงว่าผมเข้าใจถูกครับตามแบบพอาจารย์อธิบายครับ อ, อผมเข้าใจอย่างนั้นครับผมเข้าใจ สงสัยก็เลยถามตามตำราท่านว่าอย่างนั้นนะแต่คนมันวานู่นวาดเสียงเป็นเสียงเป็นรูปการรับรูปเป็นนามมันก็มันก็ทำให้สับสนไปเข้าใจ์เ้ยเพราะผมสงสัยไงผมได้ยินน่ผมสงสัยแต่ผมเข้าใจแบบพระอาจารย์เทิดมาเียนรูปเสียงกลอนที่เขาเรียกอายะตนะเขามีชื่อของเขาไม่ใช่รูปนะครับรูปก็คือร่างกายนี่รูปังอนิจจ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 ใจก็อยากจะรู้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเสียงอะไรก็คนดูความจําว่าเคยเคยเคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าสัญญาความจําพอพอบอกเออเคยเห็นรูปคนนี้เนี่ยคนนี้ชื่อในกอในข อ, อ, อจําได้สัญญาทํางานพอสัญญารู้ว่าเป็นใครก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นคนที่ใจบุญใจคนดี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 ถ้าเป็นคนไม่ดีใครมาทุบตีเราก็เราก็อยากไม่อยากจะเจอเขาอยากให้เขาหายไปก็เกิดความคิดปรุงแต่งพอคิดก็เกิดความอยากอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากให้เขาอยู่เขาไม่อยู่ก็ทุกข์อยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็ทุกข์นี่คือการทำงานของเนยอายตนะภายนอกอายะตนะภายในกับนา ม, มขันกับใจกับตัณหาความอยากมัน มันเป็นขบวนของมันอย่างนี้ที่เราต้องการจะมาแก้ปัญหาตรงที่ตัวทุกตรงที่เราพอเจอของที่เราลักก็อยากจะให้อยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอยากไม่ได้ของไม่แน่นอนเขามาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวลูกชายมาอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปกลับไปภูเก็ตอย่างนี้เราก็ต้องสอนใจว่าอยากประยากให้เขาอยู่ถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไปอย่างนี้เวลาเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ หรืเวลาคนไม่ดีมาอยู่กับเราเราก็อยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็อยากไปอยากให้เขาไปก็ปล่อยเขาอยู่ไปเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ไปเองเราก็จะไม่ทุกข์มาแก้ที่ตัวความอยากอยากไปอยากอยากไปอยากให้เขาอยู่เลยอยากไปอยากให้เขาไปเขามาก็ปล่อยเขามาเขาไปก็ปล่อยเขาไปไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเอาใจยังพี่สาวอยากถามไม่กล้าถามครับถามไม่ถามถามเลยไม่รเรื่องที่ไหนมาฉันดิแล้วผมสก็ถามไม่ใช่อะไรผมฟังไม่รู้เอะไรถามไม่ใ่ไม่เป็นไรไม่เก็บตังค์หรอกค่ะแล้วพ่อเขาชอบเป็นทุกข์ กลัวลูกจะตายกลัวลูกดวงไม่ดีนั่นแหละก็อยากให้ลูกดีไงชอบก็เลยทุกทุกวันนี้จะห้ามเดี๋ยวจะมาให้ห้ามออกไปไหนแล้วไม่ให้ออกไปไหนแล้วจะไม่ไปด้วยกันเพราะว่าจะดวงไม่ดีกลัวจะลูกจะไปตายไปอุบัติเหตุก็ทุกๆวันก็เป็นทุกข์มากค่ะก็ก็อย่างที่อธิบายตาเห็นลูกไม่อยากให้เทศให้ลูขุดให้พอฟังเลยคือคือไม่เข้าใจปัญหา ไม่ให้ประมาทคือใช่ถูกไม่ให้ประมาทยอ ม, มอรู้ว่าต้องตายจากการแต่ไม่ควรจากกันโดยไม่ไม่ไมเวลาไม่ควรผมหมายถึงว่าการที่เราไปบ่อยไปบ่อยไปถี่ไปถี่มันเกินไปบางครั้งเราควรจะ แล้วก็ควรจะงดควรจะมันเสี่ยงเกินไปมากเกินไปบ้างเป็นอันนั้นให้เป็นบ้างความมายไม่อยากให้อย่างนั้นถ้าไปเพื่อนจะมีการติดพลาดสักอย่างสักวันความหมายผมห่วงกลัวอย่างนั้นคร่ะหนูไม่ได้ไปไหนหนูไปจะไปทําปุนพ่อก็ไม่ไม่ไปด้วยพ่อบอกว่าเดี๋ยวปอุบัติเหตุนะไปบ่อยไปบ่อยมากครับเดี๋ยวก็ไปนู่นต่างประเทศเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไป ไปแล้วไปอีกไปอยู่นั่นแหละให้งดบ้างเป็นบางครัค้งเราควงดเป็นบ้างจะไปไว้โอกาสหน้าจะไปค่อยไปใหม่อย่าไปทีทีวง่นด้วยคอามห่งเจตนายอย่างนี้ <c oughs> คือวอ่าไปอย่างงี้บ่อยๆเมื่อดีนประมาทประมาทตัวก <c oughs> ันไปแล้ววันนั้นก็อย่าบอกเขาเสียเวลาไป <c oughs> เอกลัวหนูว่าหนูโวจะดวงไม่ดีอ่ะเพราะว่าเป็นสะเพศเขาบอกว่าอยู่35ห้าแล้วจะดวงไม่ดีค่ะกลัวว่าจะไปไหนอะไรจะไปก็เออให้เทาเทาดวงจะไปก็ควรปีหน้าปีอะไรปีต่อไปจะไปค่อยไปพวไปบ่อยเกินไปจะชวนไปกันไปทําบุญจะไปด้วยกันตลอดค่ะพ่อก็บอกว่าวันหลังจะไม่ไปด้วยเพราะว่าหนูสองคนดวงไม่ดีบางทีเขาไม่ให้ไปบ่อยเพราะไปต่างประเทศก็ไม่ให้ไป ควรแบบว่ามันไปไม่ใช่ไม่เคยไปถี่มากครับไปบ่อยครับควรจะเข่าบ้างถึงมือคนรจะออยู่ก็หยุดหยุดเป็นครั้งเป็นคราวจะไปก็ค่อยโอกาสนะคอ่คอยไปใหม่อีกทีตอนนี้ก็คนอยากจะให้พักก็อยากจะให้พัก อ, อยากให้เดินทางบ่อยครับเจตนาไม่ก็ดี <นะ S 2> แต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ามันนานาจิตตังนะแต่ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไร แล้วก็คิดว่าเป็นอะไรมันก็เลยแต่ก็ด้วยความห่วงด้วยความไม่ให้ประมาดก็งหง่วงแตงที่คันรั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันรั้นมันก็ไม่ดีนะอ่ะ <c oughs> เก่งกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ม่นะครับก <c oughs> ็ไม่แน่นะบางทีลูกเก่งกอ่พ่อแม่ก็มี <c oughs> แต่แต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วครับอ่า <c oughs> S <S แต่ก็ในที่สุดก็ตัวใครตัวมันนะใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลไปก็แล้วกันคิดอย่างนี้ชีวิตของเขา เ, เรามีหน้าที่เลี้ยงเขาให้โตก็พอละเขาจะไปทำอะไรต่อก็เรื่องของเขาละเราก็สอนเขาแล้วบอกเขาแล้ะเขาจะรั้นหรือไม่รั้นก็เรื่องของเขาละแต่มันพูดยากมันยังยังไงมันก็ยั ง, ยงเป็นลูกพ่อแม่ <S <S แต่ไม่ใช่เป็น พี่น้องเป็นญาติกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะญาติสวนญาตินะ อ, อไม่เป็นเลือดนะเป็นเป็นหมู่มันลําบากนกะ็ <c oughs> พูดก็ใครมีห่วงเอาอย่างเงี้ยเรามีห่วงดูสิห่วงลักค อ, อยดูสิใ ช, ใช่ไหมครับมันมันจะออกยากนะไอ้เรื่องอย่างนี้อะมันไม่มีปัญญางไงถ้ามีปัญญาก็รู้ว่าเพราะมือนแคเป็นตัวละครไง ใช่ไหมบางทีก็ต้องฟังพ่อแม่บ้างอย่าล้านหนูเลยทั้งสองคนทั้งสองครอบัวเลยไม่มีลูกค่ะเพรู้ว่าไอ้ลูกบ่วงมากเป็นทุกข์มากเอไม่มีลูกค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากให้มีลูกกันไม่มีค่ะไม่เอาไม่มีลูกแล้วเป็นทุกข์ครับใช่ครับเนี่ยแต่เขาก็เขาก็เห็นแล้วว่าพ่อแม่เป็นทุกข์กับลูกแล้วหนูไม่อยากไม่อยากมีดีนะถูกต้องชื่อราหุนแปลว่าบ่วงนะลูกนี้เป็นบ่วง มามีแล้วก็ต้องกังวลต้องห่วงเขานใช่ครับใช่ครับไม่ได้หรอกก็ต้องเข้าใจพ่อม่แม้จะต้งเน้องอยาไปเฉยๆขเขาเตือนย้งไว้แม่ก็ต้งพี่น้องแท้ๆพี่น้องสายเลือดเดียวกันก็ไม่เนขาลูกนะใช่เออจบการรับรเงิัเลย อันนี้เราก็พูดก็ถูกต้องน่ะถูกถูกตามหลักของพ่อแม่น่ะพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาเราก็ต้องเข้าใจพ่อแม่ก็อย่าไปเนี่ยไปทําให้พ่อแม่เขาเสียใจใช่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจดีบาปนะจะบอกนี่ยะคะพูดอย่างนี้ตลอดหนูเลยไม่กล้าเลยค่ะบางทีเหตุจําเป็นนะเนี่ เอาหน่าเดี๋ยวถึงเวลาก็ตอนนี้ยังยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็บานีบานอมกันนะผมเรื่องเรื่องปฏิบัติอะไรอย่างงี้พอจะเข้าใจเข้าข้าวอยู่ครับแต่ว่าปัญหาของผมคือผมไม่มีวินัยในการปฏิบัติ ก็ต้องแเราจะทํำยังไงดีต้องบังคับตัวเองถ้าเราไม่บังคับตัวอะไรเองเราก็ไม่มีใครมาบังคับเราได้นะครับเพราะว่าพอพองานมันเยอะมันก็อมันพูดจริงมันไม่มีแรงทําครับออกลับมาบ้านก็หมดแรงเลยครับก็วิธีหนึ่งก็คือให้คิดถึงความตายบ่อยๆเราก็เราจะจะถามเราจะทําไปทําอะไรตายไปเราก็อะไรไปไม่ได้เลย ลองคิดบ้างเลยคิดถึงความตายบ้างครับคราวนี้ผมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าคือผมเนี่ยอยากจ ะ, จะเจริญเมตตาเนี่ยครับพระอาจารย์<ม>เพราะว่าผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยดูดีๆเวลาเราไปเห็นอะไรไงครับเราชอบคิดไม่ดี พรามว่ามันมันทําให้จิตใจผมไม่ดีอืมก็มันมันทําให้จิตใจเรามันคุ้นบัวก็ฝึกควบคุมความคิดเลยใช้พุทโธพุทโธครับเวลาคิดอะไรไม่ดีก็พุทโธพุทโธไปอ่ะเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็จะหยุดไปครับหัดเจริญสติหัดท่องพุทโธพุทโธเวลาเราคิดอะไรไม่ดีปั๊บเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอ่ะเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็หายไป เบรกพุทโธนี่เป็นเหมือนเบรกเบรกความคิดถ้าความคิดที่ดีเราก็ไม่ต้องเบกมันปล่อยมันออกมาถ้าอยากจะทําบุญอยากจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ก็ปล่อยมันคิดไปแต่ถ้าจะคิดว่าไปว่าเขาว่าเขาเปลี่ยนโน้นอย่างนี้นก็ยอย่าหยุดคิดดีกว่าอพุทโธดีกว่าหากท่องพุทโธแล้วต่อไปเราจะมีวินัยด้วยแล้ว มีพุทโธนี่ถึงเวลาที่มันจะไม่ทํางานแล้วก็หยุดคิดความไม่อยากจะทํางานพอหยุดคิดปั๊บเดี๋ยวมันก็ทํางานได้ต่อที่เราจะมีวินัยพุทโธหรือเปล่าท่านก็ต้องลองต้องตั้งเป้าไว้ว่าตอ่าวลานี้ตื่นขึ้นมาลืมตาปุ๊บจะต้องพุทโธก่อนก่อนที่จะคิดอะไรจะทําอะไรนี่พุทโธก่อนพุทโธแล้ววก็ เวลาทำก็ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปกับงานที่ทำเช่นกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี่ก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปเราจะมีพุโทโธเป็นเครื่องหยุดความคิดได้พอเราเผลอไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธไปเราไปห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้หยุดมันได้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 มันก็จะไปคิดเรื่องไม่ดีไม่ได้แล้วรรที่ที่มาเช้าที่ยที่สักครู่ท่านอาจารย์เทศเรื่องเอกรรมนิขิตนะครับถ้าเรามาพบผู้สอนศาสนาแล้วพบผู้ศาสนาพบผู้เจ้ า, า, า, า, า, าเนี่ยแล้วเรามาปฏิบัติเนี่ยกรรมกรรมตรงนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับผมเอกรรมเก่าที่เราทําไว้แล้วไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่ามันจะตามเราไม่ทันว่าเราจะไม่กำลัาเกิดเนี่ย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 แล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่มีไม่มีทางที่จะไปกระทบกับใจเราได้ต่อไปเพราะเราไม่มีเราไม่ได้มาเกิดสิ่งนี้จะมากระทบกับใจเราได้ต้องอาศัยมีร่างกายเป็นตัวรับเข้ามาแต่ว่าไม่มีร่างกายก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาส่งเข้ามากระทบกับใจเราได้ดังั้ก็หมดกัน บุญบาปที่ทำไว้ก็ถือว่าโมฆะไปเพราะว่าไม่มีผู้มารับผลบุญผลบาปอีกแล้วจิตผู้จะรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ไม่ออกมารับแนละ้วจิตอยู่ในนิพานสบายสงบสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเราพยายามทำไปนะ เราอยากจะทำบุญไม่ต้องไปก็ได้ส่งเงินไปทานก็ได้ต่อไปพ่อจะได้สบายใจเราก็จะได้เราก็ยังได้ทำบุญอยู่เหมือนเดิมเช่นที่ไหนเขามีบัญชีให้เราโอนเงินเข้าธนาคารไปล้วก็โอนไปก็ได้อย่างนี้ทาบุญได้สองต่อทาบุญกับพ่อด้วยทาบุญกับวัดด้วยพ่อก็มีความสุขที่เราอยู่บ้านไม่ไปไหนก็าไหนเราก็ได้ทำบุญเหมือนเดิม คงที่อยาไปทำบุญ น, นี่อยากจะไปเที่ยวด้วยเปล่าจะไปนู่นเลยไปที่ที่พระพุทธเจ้าประสูนยตระนิพานนู่นลหรอครับจะไปนู่นหละก็ดีถ้าไปได้ก็ดี<ม>ก็แมขเข า, มาไม่ให้ไปค่ะไม่ใ้ไป<บา>แต่ว่า <c oughs> ให้ปู่ออบอกให้ไปด้วยปีหรือปีหน้าค่อยไปหรือปีก่อนปีก่ไปจอไปแล้วด้วยจ่ายตังค์ไปแล้วไปแล้วคือไม่อ คือผมเตือนมาเตือนมาจนไม่จะเตือนอยังไงแล้วเขา <c oughs> เขาลั่นไงก็ไปล่อเขาไปน่ะไปล่อาไปเขาก็ไม่ได้ไปทําบาปเลยเขาก็ไปทําบุญถ้าถึงคราวที่เขาจะต้องตายอยู่บ้านก็ตายนะ่ะให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมนะาอมาจารย์ครับกรรมที่จะมาตัดรอแรงๆอย่างเนี้ถ้าเราได้ทําบุญทําทานมาตลอดเนี่ยมันช่วยไหมครับก็มันช่วยให้ใจเราไม่สะเทือนไงเหมือนกับเวลาเราจะตกลงมาจากตึกสูงๆเนี่ย ถ้าเรามีเบาะนะหนาๆรองอยู่มันก็ไม่เจ็บนะบถ้าเราไม่มีเบาะเลยมันก็แทกพื้นมันก็เจ็บนะถ้าเราทําบุญก็เหมือนกับเอ า, บาอนะเบาะมารองเลยพอกรรมเกิดขึ้นกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนใจแค่อาจจะสูญเสียเงินทองไปสูญเสียอะไรไปแต่จใจเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่เคยทําบุญเลยนี่เราจะหวงทรัพย์สมบัติมากพอเสียอะไรไป น, นิดไปนหน่อยโอ้เป็นเดือดเป็นแค้นกินไม่ได้นอนไม่ไครับนีบ่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 เดี๋ยวว่าเราเคยทําอะไรมาก็ต้อแต่งอยเนต่ไถ้าเราทํามาเดี๋ยวมันจะต้องเกิดผลขึ้นมาเช่นเราเคยไปฆ่าคนอื่นนี้ยชาติก่อนไปฆ่าคนอื่นชาตินี้เขาจะมาตามฆ่าเราถ้าเรามีบุญเราจะไม่เดือดร้อนใจอย่างพระโมคคัลลานะท่านก็เป็นพระอะรหันท่านมีบุญมากพอถึงเวลาเขาจะมาฆ่าท่านท่านก็บอกให้เขาฆ่าท่านบอกท่านไม่เดือดร้อนและท่านรู้ว่าหนีไม่พ้น ถึงแม้มีอิทธิฤปาฏิหารจะทําให้หายตัวได้ก็ตามเดี๋ยวเ้าก็ตามมาใหม่งั้นก็ปล่อยให้เขาฆ่าไปเพราะถ้าใจท่านไม่เดือดร้อนเนี่ยแต่ถ้าเราพวกเรานี่เดือดร้อนกลัวกันไม่ยอมให้เขาฆ่ากันเรายังไม่ถึงพระหละังครับอ่าสรุปง่ายๆต้องถึงพระหลัง <laughs> ก็แต่ระดับมันก็ช่วยได้ในระดับต่างๆกันก็ทําบุญทำทานก็มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งรักษาศีลก็ได้ระดับหนึ่งมันก็เหมือนกับเบาหนาเนาะเบาหนาบางต่างกันบุญก็บางหน่อยศีลก็หนาหน่อยสมาธิก็ยิ่งหนาใหญ่ถ้าบรรลุธรรมก็ยิ่งหนาใหญ่ก็ทําไปก็แล้วกันนะทําไปก็คิดว่า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 นั่นให้อธิษฐานที่เหตุขอให้เราทําเยอะๆถ้าทําเยอะๆแล้วทําเต็มที่แล้วเดี๋ยวผลมันเกิดขึ้นเองถ้าทํานิดเดียวแล้วขอให้ผลเกิดนี่มันไม่เกิดก็ได้จไต้องอยู่ที่อยู่ที่เหตุบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันผลก็จะเกิดขึ้นเองไม่ใช่ทาผลเดียวแล้วขอให้ไปพระนิพพานนี้ขอไปอยังไงก็ไม่ไปหรอกเข้าใจไหม ถ้าอยากจะไปนิพพานต้องขอทำบุญบ่อยๆขอรักษาศีลบ่อยๆให้นั่งสมาธิบ่อยๆให้เจริญปัญญาบ่อยๆถ้าอย่างนงี้ เ, เดี๋ยวก็ถึงนิพพานแนะ่ อ, อยากจะกลับหรือยังหรืออยากจะฟังต่อแล้วยะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ทางบ้านติดตามเขารอส่งข้อความเข้ามาถามคำตามอยากจะลองฟังดูก็ได้นะถ้า อ, อยากจะไปก็ได้ ไม่อยากไปครับยังไม่อยากนะอยากฟังครับอ่าอยากฟังมีคําถามไหมอ่าเปิดเข้ามาเลยคําถามจากคุณโมนีเวลาช่วงที่ฟังคําสอนของพระอาจารย์ทุกวันทาง facebook ย้อนหลังเวลากลับจากทํางานหรือฟังสดทุกวันหยุดหนูจะรู้สึกปลอบปื้มมีความสุขมากแต่พอหมดเวลาต้องกลับไปอยู่กับกิจวัตรประจำวันเดิม เพื่อเตรียมตัวไปทํางานในวันรุ่งขึ้นมันรู้สึกเบื่อหน่ายมากค่ะขอคำแนะนำขอคําแนะนําจากพรอาจารย์ด้วยค่ะก็เวลาฟังทำก็เหมือนเราเข้าไปในห้องปรับอากาศมันก็เย็นสบายพอเวลาเราไปทํางานแล้วเหมือนออกไปออกไปข้างนอกห้องที่มันไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศมันก็ร้อนพอเวลาเราไปทํางานเราก็ต้องเครียดกับงานการต่งางๆมันก็เลยทําให้ใจเราไม่สบาย เอ้นถ้าเรารู้ว่าการไปทํางานมันเครียดก็พยายามทําให้มันน้อยลงสิมาฟังทำให้มันบ่อยขึ้นให้มากขึ้นลดการหาเงินให้น้อยลงจะลดการหาเงินให้น้อยลงได้ต้องลดการใช้เงินให้มันน้อยลงด้วยที่เราต้องหามากเพราะเราใช้มากกันนะถ้าเราไม่ใช้มากเราก็ไม่ต้องหามากถ้าไม่ใช้เลยก็ไม่ต้องหาเลยเะอนั้นถ้าเราอยากจะ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 มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเหมือนหาเงินเนี่ยหาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยยิ่งมากได้ได้เงินมากนิ่นั่งสมาธิได้มากกี่ชั่วโมงได้ยิ่งดียิ่งมากเท่าไหร่ก็จะได้ผลมากขึ้นนะส่วนวิธีนั่งนี้เวลาเริ่มต้นนี้จะสวดมนต์ก็ได้ไม่สวดมนต์ก็ได้แล้วแต่จิตใจของแต่ละคนบางคนนี่พอจะเริ่มนั่งให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธมันไม่ยอมอยู่มันยังคิดมากก็สวดมนต์ไปก่อน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 แต่ถ้าเรานั่งได้ดูลมได้พูดโธได้ก็ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันสน่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อลยค่ะถ้าไม่ได้ก็สวดบนไปก่อนอได้ยังดีก็ปล่อยให้มันเครียดปล่อยให้มันคิดต่อไปแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นทั้งๆที่กลับมาจากที่ทำงานแล้วยังเอางานมาทำที่บ้านต่ออย่างี้โอทีก็ไม่ได้เอามาคิดทำไมใช่ไหม งานอยู่ที่ที่ทำงานก็ทิ้งมันไว้ที่นั่นพอมาถึงบ้านเราก็ลืมมันเสียวปทิธีเสียลืมมันก็สวดมนต์ไปคำถามจากคุณเฟิร์นเพื่อนเขาไม่มีครูบาอาจารย์ตัวเป็นๆแต่มีอาจารย์ส่วนตัวมาสอนในนิมิตรหรือในฝันแบบนี้มีจริงไหมคะหรือเขาจิตปรุงแต่งเองคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็ น, นเป็นอาจารย์แบบไหนสอนสอนเราได้อย่างไร เพราะว่าส่วนใหญ่นิมิตนี้เป็นนิมิตที่ออกมาจากใจของเราเองไม่ได้เป็นนิมิตแท้คือเป็นอาจารย์จริงๆมาจากมาจากอาจารย์ที่เป็นร่างทิพย์กายทิพย์อย่างพระพุทธเจ้านี้ไปเป็นอาจารย์สอนแม่ในสวรรค์อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอาจารย์จริงแต่ถ้าอาจารย์ที่ปรากฏ น, นิมิตนี่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์จริงหรืออาจารย์เกแล้วเขาสอนนี้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 เราก็ไม่รู้เรื่องเราอุ้มลูกสาวเป็นยังไงรู้ไหมพรอุ้มเด็กอุ้มทําไมไปอุ้มทาไมมีเหตุผลอะไรที่น้องอุ้มเปล่าเป็นลูกตัวเองครับอุ้มไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็แตะต้องไม่ได้ถ้าเป็นลูกถ้าผู้ชายก็อุ้มได้ถ้าเป็นผู้หญิงพระไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรแตะต้องสีกาเพศตรงกันข้ามถึงแม้ว่าจะเป็นลูกนีือเป็นแม่ ก, ก็ตาม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 ไม่ไมไแต่เนื้อต้องตัวแล้วเดี๋ยวเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้แหกผ้าเหลืองไปท่านันเองถ้าท่านห้ามไว้เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการอารมณ์ต่างๆขึ้นมาคำถามจากคุณวรพับถ้าบวชเป็นพระแล้วแต่ฝันว่ายังเป็นคลรวดทำผิดศีลห้าจะอาบัติไหมครับถ้าเป็น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 แล้วมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยยากเราชอบไปทําของที่ง่ายให้มันยากขึ้นมาเองเห็น ไ, ไ, ไหมจนเวลาดูลมหายใจก็ต้องพุทเข้าโทรออกนี่มันก็ทําให้มันยากแล้วก็พุทธเท่าพุทธโทรไปเรื่อยๆก็หมดเรื่องใชาไมต้องไปยุ่งกับลมทําไมเลยถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทโทดูลมอย่างเดียวมันง่ายกว่าสบายกว่ากลับไปทําให้มันยุ่งยากแล้วนั่งแล้วไม่สงบ ก, กัน คำถามจากคุณชานาณ่าเวลานั่งสมาธิแล้วเห็นเหมือนเป็นคลื่นคลืนสีดาขอบคลื่นคลื่นจะเป็นสีขาวเทาๆแล้วพุ่งเข้าใส่หน้าลักษณะนี้เป็นสมาธิหรือเปล่าคะนี่เลี้ยงก็ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิต้องนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือนั่งพุทโธพุทโธไปถ้าไปนั่งดูอะไรต่างๆในใจนี่เป็นเป็นเรื่องแบบนั่งเพลยเจอและไม่ได้นั่งสมาธิอย่าไปดูอะไร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 อยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าปฏิสามุตบาทหนครับปฏิจจสมุตบาทอถามอยู่เรื่อยบอกแล้วให้ไปเปิด Google ดู ง, ง่ายๆอาจารย์ทีบานะชัดลเอียดชัดเจนกว่าคำถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันนั่งสมาธิแล้วมีอาการแปลกๆเกือบทุกครั้ง ก็จะมองเป็นอนิจจังเหมือนที่พระอาจารย์สอนแต่ถ้าเกิดอาการบ้านหมุนจะสู้ไม่ได้ค่ะยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยจะแก้ไขอย่างไรดีคระเพราะไม่อยู่กับพุโทโธให้ตังกลับมาอยู่พุโทโธแล้วอาการต่างๆจะไม่มีหรอกเอาน้องนั่งแล้วให้มีพุโทโธกํากับใจไปอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาเอาน้อต้องนั่งแล้วมีพุโทโธแล้วมีลมหายใจกํากับนะถึงจะนั่งที่ถูกวิธี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 ไม่อยากมีเรื่องวุ่นวายถือว่าการปฏิบัติเริ่มได้ผลไหมเจ้าคะได้ผลแล้วเริ่มมาทางธรรมะนะเมื่อก่อนไปทางโลกทางรูปเสียงกลิ่นรดพอได้สัมผัสรถแห่งธรรมแล้วรู้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็เลยเบื่อรถทางโลกเบื่อทางรูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็อยากจะมาทางธรรมเหมือนกับเราเคยขับรถมือสองแล้วได้ซื้อรถใหม่อ ง, งพอได้ซื้อรถใหม่แล้วก็ไม่อยากจะขับคันเก่าแนละ้ว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 มาปฏิบัติธรรมได้อย่างไรดนะังนั้นการอยากในธรรมนี้ที่เรียก ว, ว, <Yeah. S 1> ว่าเป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเรียกว่าเป็นอิธิบาท4เป็นความอยากที่ดีความอยากที่ไม่ดีก็มีความอยากที่ดีก็มีความอยากไม่ดีก็มีาม <Yeah. S 1> มสามันความอยาก <c oughs> หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าความอยากไม่ดีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ดี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 ยิ่งนิ่งยิ่งนั่งได้นอนยิ่งนิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งมีกําลังเฉยเวลาใครด่าก็จะเฉยได้เวลาใครเขาทําอะไรไม่ถูกใจเราก็จะเฉยได้ทคงถามจากคุณวาสนาบางคนเขาชอบทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตมากพอถึงเทศกาลฝังลูกนิมิตเขาต้องตระเวนให้ได้เก้าวัดลูกอยากทราบอา น, นิสงส์งว่าเป็นอย่างไรคะก็เป็นความเชื่อคือมัน ฝังลูกนิมิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอุโบสถนีอุโบสถมันก็มีความจําเป็นเพราะาพระจะบวชก็ต้องบวชในในโบสถ์กันทําพิธีกรรมของทางศาสนาก็ต้องมีโบสถ์ในเวลาสร้างโบสถ์นี่เขาจะต้องมีฝังลูกนิมิตคือลูกนิมิตนี่เป็นตัวปักเข็มแดนให้รู้ว่านี่เป็นโบสถ์เนี่ยเนี่ยก็จะมีกี่ลูกไม่รู้รอบโบสถ์เลยเพื่อจะได้รู้ว่านี่คืออนาเขตของของการทําสังฆกรรม ถ้าอยากจะทําสังกัดคต้องทําอยู่ในในขอบนในเขตนี้เป็นการสังลูกนิมิตก็เป็นเหมือนเก่าการไปปักหลักหเหมือนสมัยนี้เวลาเราไปเราไป เ, าเขาเรียกอะไรสํารวจที่ดินหนะรือลางวัดเขาก็ไปปักหมุดว่านี่นะตรงนี้เป็นเขตของคุณนะอันนี้ก็เหมือนกันทําให้ก่อนก็ไม่ได้มีหมดุดเขาใช้ลูกนิมิตแทนอ่มันก็เลยเป็นธรรมเนียมเวลาจะสร้างโบสถ์กันเขาก็ฝังลูกนิมิตกันทีนี้สมัยนี้ พระอยากจะสร้างโบสถ์แต่ไม่มีเงินเขาก็เลยเอาเอาเรื่องฝังลวกนิมิตมาเป็นวิธีหาเงินาใารประปิดทองฝังลวกนิมิตจะได้บุญเยอ ะ, อะคนก็เลยอยากจะได้บุญก็เลยมาซื้อทองมาปิดกันพระก็เอาเงินทองนี้มาสร้างโบสถ์อีกทีนึงเลยต้องปิดหลายปีกว่าจะเสร็จก็จะมบางทีโบสถ์นึ่งยปีนี่ปะปิดทองฝังลูกนี้ไม่กัน20ครั้งเลย จะปิดแล้ยังไม่ได้ฝังไงเพราะฝังแล้วถ้าเทว่าจบไงก็เลยไม่ฝังก็มีแต่ปิดทองเฉยๆเอาลูกนี้มิตไปตั้งไว้ที่ที่วัดแล้วก็นใครอยากจะปิดทองก็มาปิดทองูุนิมิตนะถ้าไม่มีลูกนิมิตรเลยก็ไม่มีรล่อของร่อใจไงให้ให้ญาตโยมมามาปิดทองกันสมัยก่อนพระพุทธรูปก็ปิดทองกันได้แต่สมัยนี้พระพุทธเจ้าเป็นทองเหลืองเป็นอะไรไปแล้วไม่เลยไม่มีที่ปิดกันแล้วก็เลยต้องหาลูกนิมิตมาปิด เพื่จะได้มีเครื่องหนึ่งดูดใจให้ญาติโยมที่อยากจะทําบุญจะได้เข้ามาทําบุญได้นั่นเองแล้วได้บุญไหคะได้ก็ก็เหมือนกับเราถอยถอให้เข้าของอย่างอื่นเนี่ยปลูกกุฏิปลูกศาลาปลูกห้องน้ําสร้างห้องน้ําสร้างเมนอะไรนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันเขาเขาเรียกว่าวัตถุทานเกิดการให้ด้วยข้าของต่างๆ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 น, นี่ก็เรื่องของความขาดแคนมากกว่าควรจะดูตรงนั้นด้วยไม่ใช่ก็บอกว่าโอ้ทำบุญปุกฝังลูกนิมิต ด, ดีก็จะฝังแต่ลูกนิมิตอย่างเดียวถ้าเวลามาบินธบาตก็ไม่ใส่บาทมันจะมีพาะก็อดตายอ่าใจไหมคำถามจากคุณทิวตัวเลขต่างๆเช่นเบอร์โทรศัพท์มีผลต่อชีวิตจริงหรือไม่ครับไม่มีหรอเหมือนจะมีได้ยงไง จะบอกแล้วไงผลที่ตัวที่มีผลกับชีวิตเราก็คือบุญกับบาท น, นี่แหละคำถามจากคุณทิพย์สุขภาพไม่ดีป่วยบ่อยเดี๋ยวโรคโน้โนโรคนี้ฟังธรรมะก็เข้าใจว่าลูกเคยผิดสี่ข้อที่หนึ่งทุกวันนี้พยายามรักษาสีล5้าโดยเฉพาะข้อหนึ่งพยายามไม่เบียดเบียนชีวิตแต่กับเจอแบบไม่เจตนาอยู่ดีๆก็ไปเหยียบขอตายเวลาขับรถตอนฝนตกก็ยิ่งเลี่ยงก็ยิ่งเจอ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 บางทีเวลาไปบวชก็ไปวางแผนที่ในวัดก็ได้ว่าเวลาเสร็กมาแล้วจะไปพ้นธนาคารไหนดีอันนี้เพมันต้องมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชจริงแล้วบวชไม่จริงบวชแล้วศึกษาล่ําเรียนหรือเปล่าโดยบวชแล้วไม่ได้ศึกษาล่ําเรียนเพรนั้นจะไ ป, ไ, ปไปว่าเป็นการบวชแล้วทาให้เขาไม่ดีก็ไม่ได้เพราะคนที่บวชแล้วดีมีต้องเยอะแยะไป คนที่บวชแล้วมีความกตันอยู่ต่อพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็มีเยอะแยะไปคนที่ไม่ได้บวชแต่ที่มีความกระตันอยูก็มีเยอะแยะไปเหมือนกันเพราะมันนี้เป็นเรื่องของจิตสํำนึกของแต่ละคนถ้าไม่มีแล้วไปบวชก็อาจจะเกิดจิตสํานึกขึ้นมาก็ได้แต่คนที่เขามีจิตสํานึกเขาไม่ต้องไว้บวชก็ได้เขาก็เขาก็มีความกระตันอยู่อยู่ภายในอยู่ภายในตัวของเขาอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้คําถามเขาว่าไง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 ถ้าใช้ลมก็ให้รู้ลมเพียงอย่างเดียวอย่าไปรับรู้เรื่องอย่างอื่นคาถามจากคุณมีให้แค่เท่านี้ผมปฏิบัติสมาธิโดยภาวนาพุโทโธสักพักจิตไปจับที่ลมหายใจเลยดึงจิตมาจาับที่ภาวนาพุโทโธสักพักจิตเริ่มนิ่งเห็นแสงสีขาววูบวาบแต่ความรู้สึกเหมือนจิตเราหมุนกับหัวแล้วค้างกับหัวอยู่แบบนั้น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 ที่ว่าพอสมควรนะวันนี้คำถามก็เยอะพอสมควรเวลาก็ใกล้จะหมดมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็เอาแค่นี้แล้วนะขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้